นักนั้นทั้งสองก็ต้องสะดุ้งขึ้นในชวนหัวหน้าลูกหาบแล่นกระหืดกระหอบตรงเข้ามาหาพร้อมกับร้องบอกอะไรฟังไม่ได้สับ ล, ลุงลุงอินนาะยหญิงครับเร็วครับเร็วครับที่ปางพักนอนของเจ้านายเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับพวกเราไม่รู้จะทำอะไรกันถูกขยินให้ผมแล่นมาตามนายหญิงกับลงุงอินครับดารินหันขวับไปทางนายชวนทันทีและมองปราดไปยังบริเวณที่พักนอนของฝ่ายหลอน ซึ่งบัดนี้เห็นก็ยินกระพวกลูกหาบสามสี่คนกำลังยืนมุงดูอยู่ทางด้านปลายเท้าของคนเหล่านั้นห่างๆมีอาการกระสับกระส่ายส่วนภาพของพี่ชายกลางพี่ชายใหญ่และชายยันก็ยังเห็นจากระยะห่างว่ายังนอนกันอยู่ในสภาพเดิมกับขนาดที่หลอนลุกขึ้นมาส่วนนั้นอินเขย่าถามโดยเร็เรวว่าเฮ้ยมันมีอะไรวะจ ง, จงองนายชวนลลำละักชีมือบอกตัวเท่าข้มือเนี่ย ยาวร่วงว่ากนลองไวทีเดียวมัน ม, มันเลื่อยมาจากไหนก็ไม่รู้สิสงสัยยับหลอมาจากซอกโขดหินเหนือหัวนอนเจ้านายอ่ะเฮ้ยกัดเจ้านายคนใดก็ เ, เด้อพรานเท่าร้องสวนไปก่อนที่อีกฝ่ายนึงจะทันพูดจบประโยคเจ้านั่นยังสันสีสั่งยังยังยมันยังไม่ได้กัดใครดังนั้นแหละแต่ดันพาเลื้อยก็แบบโคตตัวแผลหัวอยู่บนกลางตัวของนายใหญ่มันคงจะนึกว่าเป็นพวกนายใหญ่ในกลาง แนายทหารที่นอนห่มผ้ากันอยู่เป็นขอนไม้หรื อ, อยังไงก็ไม่รู้สิขึ้นไปม้วนตัวสบายอยู่บนตัวนายใหญ่ซ้ํายังชูคอมองดูไอ้พวกนั้นนี่จะนายกลางนายใหญ่หรือนายทหารกระดุกกระดิกตัวนิดเดียวให้มันรู้ว่าเป็นคนเมื่อไหร่มันต้องโฉกแน่ไอ้พวกนั้นก็ไม่กล้าทําอะไรได้แต่มองดูอยู่เฉยๆอะดารินก้าวพรวดออกจากที่อย่างรวดเร็วงา น, นอินก็สาวเทาว้าตามมาติดๆพร้อมกับหัวหน้าลูกหกัก เสียงครูพรานผู้เฒ่าร้องเข้าไปก่อนแต่เสียงไม่ดังนักว่าเฮ้ยเฮไอ้พวกนั้นถอยออกมาห่างๆก่อนถอยช้าๆนะเว้ยอย่าเข้าไปใกล้ที่นอนของพวกเจ้านายขยิงกับพวกลูกขาบที่ยืนดูกันอยู่อย่างไม่รู้จะทําอะไรได้ถูกพากันค่อยๆถอยหลังออกมาทันทีอย่างช้าๆเป็นเวลาเดียวกับที่ดารินและนันอินก็ก้าวเข้าไปถึงระยะนั้น ห่างประมาณ9หรือ10เมตรเท่านั้นมองเห็นอย่างถนัดอสรพิษร้ายระดับจงอางตัวหนึ่งกำลังมีขนาดคล่องแคล่ว่องไวเต็มที่ตัวไม่ใหญ่และไม่เล็กนะักลำตัวประมาณข้อมือแล้วยาวเกือบสองวางกำลังประดิษฐานอยู่บนภาพแรงเก็ตหื่งใหญ่ที่คณะใช้นอนห่มกันอยู่ในลักษณะกึ่งขมวดขดกึ่งทอดลาตัวยาว คือส่วนปลายหางยังพาดอยู่บนบริเวณหน้าอกของธันชาส่วนใหญ่ของลำตัวม้วนขดอยู่กลางท้องของเชษฐาซึ่งบัดนี้เพียงมองแวบเดียวดารินก็รู้ทันทีว่าพี่ชายทั้งสองของหลอ น, นรู้สึกตัวแล้วแต่พากันนอนนี่ไม่ยอมกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวแทบจะไม่กล้าหายใจด้วยซ้ำส่วนชายยันนอนห่างออกมาประมาณสองศอกไม่ได้ถูกมันทับอยู่ด้วย ถ้าว่าก็อ น, นอนอยู่ในผ้าแบงเกตผืนเดียวกันถ้าแม้ว่าคนใดคนหนึ่งสามคนทำให้ผ้าห่มที่ห่มกายอยู่นี้ขยับเคลื่อนไหวแม้แต่นิดเดียวไอ้มัจจุราชแห่งไพรลึกผู้ไม่มีตีนตัวนั้นคงเล่นงานทันทีบัตดนี้มันชูหัวแผ่พังพานสูงขึ้นประมาณศอกใส่และไม่ได้สนใจกับมนุษย์ที่ลำตัวของมันขึ้นไป ข, ไปขดทับอยู่ แต่สนใจยกหัวขึ้นมาดูยังพวกลูกหากและแผ่แม่เบียเหมือนจะสำรวจดูท่าทีพวกนั้นอยู่เช่นนั้นดารินจ้องตาเบอิอโคลงไม่กระพริบมือค่อยๆขยับลูกเลื่อนขึ้นลำไรเฟิลจุด300ของหล่อนอย่างแผ่วเบานั้นอินก็กระซิบเร็วปลือมอย่าเสียงยิงนายหญิง นัดเดียวไม่อยู่และพวกเจ้านายตาลีตาเหลือกไหวตัวขึ้นแล้วก็มันโฉกลงมาแน่ตัวขนาดนั้นเขี้ยวยาวพอที่จะทะลุผ้าโฮมลงไปได้แล้วลุงจะทำยังไงหลอนกระซิบถามตายังจ้องไม่กระพริบอยู่เช่นนั้นหลอนมองเห็นแม้กระทั่งอาการที่นอนนิ่งตัวเกร็งของพี่ชายทั้งสองและชา ย, ยันซึ่งก็จะต้องตื่นรู้สึกตัวแล้วเช่นกัน แต่แกล้งทําเป็นหลับตาอยู่เท่านั้นเชิฐานนั้นกลั้นลมหายใจเต็มที่เพื่อไม่ให้ร่างกายของตนขยับเขยื่นจนมันสำเนียกได้โชคดีอยู่นิดที่ทั้งสามยังมีผ้าหม่มคลุมปิดตัวอยู่อีกชั้นเอานี่นายหญิงนันอินจะเข้าไปลอกมันอาจพุ่งตัวจากตัวของเจ้านายไล่นานอินออกมา หรือไมก็เลืยหนีให้พ้นจากตรงนั้นไม่ได้นะลุงนั่นยิ่งเสียงมากขึ้นไปอีกลุงอาจมียาดีพอที่จะแก้พิจงอางได้แต่จะยอมให้มันกัดใครซะก่อนแล้วค่อยมารักษานะมันเป็นเรื่องยุ่งยากเสียเวลามากนะลุงพร้อมกับกล่าวราชสกุลสาวค่อยค่อยุดตัวลงนอนราบกับพื้นในท่านอนยิงทันที เพื่อให้แนวกระสุนเฉียงขึ้นสูงปลอดภัยจากพี่ชายทั้งสองและเพื่อนแต่มันก็ต้องหมายถึงว่าทั้งสามบุคคลโดยเฉพาะเชิฐาจะต้องไม่พังโงกตัวขึ้นมาสะก่อนเพราะถ้าพวดพลาดขึ้นมาในตอนนี้ก็ย่อมอาจเจอลูกปืนของหล่อนเข้าพอดีเอางี้ร้องบอกเขาเข้าไปใหญ่ดังนะักใหญ่ให้มันตกใจ บอกว่าฉันกำลังจะยิงให้พวกเขานอนเฉยๆอยากกระดุกกระดิกเป็นอันขาดฉันรับรองนัดเดียวเท่านั้นหล่อนบอกอย่างมั่นใจขณะที่ประทับไรเฟิลเข้าซอกลายในท่านอนยิงระยะขนาดนี้อย่าว่าแต่ความกว้างของบริเวณลำคอที่แผ่แม่เบี้ยกว้างประมาณฝ่ามือเลยต้อยเล็กขนาดแมลงวันหล่อนก็ไม่มีวันพลาด เพียงแต่ตื่นเต้นบ้างเท่านั้นในกรณีที่ก่อนที่หล่อนจะทันลั่นไกลออกไปหากมันรู้ตัวฉกพักพวกคนใดคนหนึ่งซะก่อนดรือสำเนีกถึงอันตรายพุ่งตัวลงจากผ้าหม่มเลื้อยไล่เข้ามาหล่อนจะลุกขึ้นผละหนีไม่ทันแน่ขณะที่ศูนย์ปืนของหล่อนจับที่กลางลำคอที่ชูและสายหน้าน้อยๆพร้อมกับหันซ้ายทีขวาที น, นายนิงก็ซุบตัวลงนั่งข้างๆกระซิบอย่างรีบร้อนว่าอย่าพึ่งยิงนายยิงบอกก่อนจะยิงตรงไหนกระดูกก้านคอลูกเอามันปากพับไปเลยไม่ได้มันอาจพลาดทะลุผ่านหนังคอมันไปเฉยๆ หรือต่อให้ถูกกระลูกก้านคอมันอาจจะตายก็จริงแต่พอหัวมันพับลงมามันอาจจะลงเขี้ยวเป็นครั้งสุดท้ายสุดแต่คอมันจะพับตกไปทางไหนนายหญิงกะยิงมันสูงขึ้นไปอีกกะให้กระสุนกระทบปากมันเลยได้ไหมให้ปากให้เขี้ยวมันแหลกจับไปเลยได้ตองนั้นก็ได้ หลอนเบนศูนย์สูงขึ้นไปจับที่บริเวณปากที่แลกลิ้งอยู่แปรปักอย่างพยายามสำเนียกลิ่นนันอินก็พูดขึ้นเรียบเรียบด้วยเสียงปกติธรรมดาพอให้ได้ยินไปยังทั้งสามคนที่นอนตัวแข็งกันอยู่ตลั้นใจไวนะ้นายทั้งหลายอย่ากระดิกนายหญิงกำลังจะยิง ไม่มีปัญหาทั้งอนุชาเชษฐาและชยันได้ยินคำสั่งนั้นแน่ๆเพราะแต่ละคนที่นอนเป็นท่อนไม้อยู่ในขนาดนี้ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่างแล้วครูพรานผู้เฒ่าก็สะกิดแขนหลอนเป็นสัญญาณแทนคำสั่งว่าให้ยิงได้ดารินกลั้นใจเลิงระยะเผาขนของไรเฟิลขนาดนี้ เอนแน่ใจในฝีมือแต่สารภาพกับตนเองว่ายังไม่แน่ใจกับความตื่นประมาานะมันอาจพลาดก็ได้เพราะชีวิตของพี่ชายและเพื่อนถูกวางเป็นเดิมพันอยู่ข้างหน้าเท่าเท่ากับอีกประการหนึ่งสมมุติว่าชิงเวลากันเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่มันพุ่งตัวเข้ามาใส่หล่อนซะก่อนหล่อนจะทำยังไง เพราะตัวเองก็กลัวอยู่เช่นกันประมาณครึ่งวินาที่อนแตกไก่แล้วจุด300เวเวทเมกก็ระเบิดสถานแหลมไปทั้งขอบเขตโคตที่แวดล้อมอยู่นั้นสิ่งที่ทุกคนเห็นพร้อมกับกำปันปนาเสียงปืน ศรีรษะอันยกชูแผลพังพานอยู่นั้นสะบัดพลิกไปในพริตตาและสิ่งอันฉุกละหุกที่ติดตามต่อมาจนทำให้ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้ก่อนในขณะนั้นก็คือร่างที่นอนกันอยู่เหมือนศพละทอนไม้ทั้งสามก็พรวดขึ้นมาราวกับมีสปริงดีดกระเด็นออกจากโปงผ้าหม่มที่อาศัยคลุ่มตัวร่วมกันอยู่ไปคนละทิศละทางสุดแต่ว่าใครจะสะดวกออกไปทางด้านไหน นุชาเชษฐาและชยันมีความรวดเร็วแข่งกับเวลาได้พร้อมเพรียงกันดีเหลือเกินพร้อมกับเสียงร้องโวยวายเอะอะกันลั่ดนดารินภายหลังจากยิงไปแล้วก็ยังคงนอนในท่าคว่ำราบอยู่กับพื้นที่นั้นนันอินกระโดดเข้าไปส่วนพี่ชายทั้งสองและเพื่อนที่ครั้งแรกเพนกันไม่รู้ทิศรู้ทางออกมาก่อนก็ไปยืนคุมเชิงกันอยู่คนละด้าน จ้องไปรวมจุดที่งูตัวนั้นซึ่งกําลังม้วนตัวดินเป็นเกลียวอยู่ด้วยอาการขนลุกขนพองนานอินนั้นเข้าไปก้มสํารวจดูแล้วก็ช่วยได้ท่อนหางของมันอย่างหน้าตาเฉยโยนออกมากลางที่โลกพ้นจากผ้าหม่มผืนใหญ่ที่มันกําลังม้วนตัวเองเป็นเกลียวอยู่นั้นอยู่ละนายหญิงไม่ถูกปาครับแต่หัวแหลกไปเลยแบบนี้ไม่ทันจะกลับ ราชสกุลสาวถอนใจออกมานิดนึงอย่างโล่งอกถุดลุกขึ้นยืนสลัดบอกกระสุนที่ยิงแล้วออกกระเด็นไปกลิ้งอยู่กับพื้นแล้วเดินเข้ามาดูซากงกูซึ่งส่วนหัวแหลกละเอียดหล่อนยิงต่ำกว่าเป้าหมายที่เจตนาไปราวหนึ่งเซนไม่ได้กระทบปากโดยตรงตัดชอนเข้าใต้ขากันไกลด้านล่าง ระเบิดออกกึงกลางศีรษะของมันพอดีสองพี่ชายและอีกหนึ่งเพื่อนที่เคลื่อนตัวเข้ามาดูซากงูนั้นอยู่ด้วยพร้อมๆกับขยินและพวกลูกหาดทั้งหลายอันมุงอยู่รอบนอกพากันมองหน้ารลอนและกระพริบตาปริบ ป, ปริบยังไม่อาจจะเอ่ยคำใดออกมาได้อย่างน้อยก็อึดใจนะ แล้วชา ย, ยันก็เอ่ยขึ้นเสียงแห่งๆว่าอารุณสวัสดิ์แต่ให้ตายเลนะเป็นการปลุกที่ไม่ค่อยจะโสภาสำหรับพวกเราเลยใครฉันเรืองงูตัวนี้หล่อนถามเรียบๆมองดูขนาดความยาวซึ่งบัดนี้อาการดิ้นค่อยๆน้อยลงเป็นลำดับเพราะประสาทสมองถูกทำลายเฉียบพลัน คงเหลือเฉพาะส่วนหางเท่านั้นที่ยังกวาดวาดไปมาช้าช้าก็ทั้งสองท่านนั่นแหละท่านแรกก็คือพ่อตัวยาวไม่มีตีนตัวนี้ส่วนท่านที่สองก็คือมาดามไพลวันที่ยืนอยู่นี่โอ้ยขวัญห น, นีดีฟอโตกใจพอๆกันไม่ว่างูหรือเสียงไรเฟิลยังยๆงยง ฉันยังไม่ได้เป็นพัญญาของเขาคนนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่ามาเรียกมาดามไพร์วันแต่ฉันก็ขอพลังกระแสะจิตของเขาเข้ามาช่วยด้วยก่อนจะลั่นกระสุนนัดนั้นยูเธอคิดว่าฉันหรือใครควรจะใช้วิธีเอาไม้มาตีมันในขณะที่มันกําลังขดตัวแผ่แม่เบีย้ยอยู่บนพุงของพี่ใหญ่หลนคงพูดหน้าตาเฉยอยู่ตามเดิมแล้วมองไปทางพี่ชายทั้งสอง กล่าวต่อไปว่าตอนที่มันสะบัดหัวพับลงไปคงยังไม่ทันกัดคายได้นะคะน้อยหวังไว้เช่นนั้นทั้งเชษฐาชายันและอนุชาหายงวงเงียเป็นปริทิ้งข ย, งยิ่งยิ้มย่องท่องใสยอย่างยินดีตรงเข้ามาลากหางูเข่งตัวนั้นออกไปลอกหนังกันสดๆร้อนๆกับพวกลูกหาบทันทีอนุชาไม่พูดอะไร ตบต้นแขนน้องสาวแรงๆเหมือนจะบอกขอบใจหนึ่งครั้งแล้วเดินไปล้างหนะ้าส่วนเชษฐาเต่าแก้มแกรกแกรก ม, มันหวาดเสียวพอๆกันทั้งมูตัวนี้แล้วกระสุนของน้อยนัดนั้นแหละเออบ้าจริงๆทำไมพวกเราจรึงต้องมาเฉียดตายกันถี่เกินไปอย่างนี้ก็ไม่รู้นี่นี่แตน้อยยิงพลาดนิดเดียวไม่ใครก็ใครสวยแน่ รู้สึกตัวกันตั้งแต่ตอนไหนแล้วคะเนี่ยทั้งสามคนอะลอนถามเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจิตใจของหญิงสาวบัตรนี้ราวกะเหล็กเพชรในเหตุการณ์สยดสยองทุกชนิดแทบจะผิดกันไปเป็นคนละคนกับยุคก่อนอะจะตอนไหนอะก็ตอนที่รู้สึกว่ามีอะไรหยุนหยน ห, น, ห น, นักหนักมั น, น, นขึ้นมาทับบนทองพี่สิพอลืมตาขึ้นมาก็แทบชอ็อกขนาดหายใจยังแทบไม่กล้าเลย มันเลื้อยผ่านมาทางในกลางก่อนหมอนั่นคงรู้สึกตัวก่อนพี่และส่วนชายยันคงจะเป็นคนถัดไปที่ตื่นขึ้นโชคดีนะที่ทั้งกลางและทั้งชายยันรู้หลักไม่กระโตกกระตากไว้ตัวหรือลุกขึ้นเพ่นในตอนนั้นเพราะถ้าแบบนั้น่ะมันคงจะไล่โชคกันแน่แน่ตอนนั้นยังนึกไม่ออกจริงๆนะว่าจะทํำยังไงดีมันเป็นอมพาศไปหมด พวกเราสามคนนี่ไม่มีทางจะช่วยตัวเองได้เลยในภาวะเช่นตะกี้นี้อนุชาล้างหน้าเสร็จจากน้ำในถังที่ขยิมตักมาให้เอาผ้าเขามาลูบหน้าลวกๆแล้วเดินเฉียดผ่านก็นมาบอกกับทุกคนว่าเอาเตรียมตัวได้แล้วให้เวลาทั้งหมดยี่สิบนาทีรวมทั้งการกินอาหารด้วยหลังจากนั้นเราจะเคลื่อนที่แล้วแล้วา ก, ก็หันไปทางขยิมกับพวกลูกหาบ ที่กำลังคว้นคอลอกหนังงูร้ายอยู่เอาเกลือกับพริกลูบนะแล้วก็ย่างให้ดีมาเดี๋ยวจะขอกินด้วยคนพูดแค่นั้นอดีตพรางชดก็กลับเข้าไปในที่พักนอนหรือคนจัดเตรียมเป้หลังของตัวเองง่วนอยู่ไม่สนใจอะไรอีกชายันหันไปยักคิ้วกับเชิฐาพูดเบาๆว่าไม่เลวนะสองพี่น้องคู่นี้ ถ้าต่างคนต่างพยายามเรียนแบบระพินได้เกือบเหมือนด้วยกันทั้งคู่ทีเดียวก็มีเราสองคนงนั้นแหละที่เดือดดางุ่งามพิลึกนี่เอาเร็วเจ้าถาปฏิบัติตามคําสั่งของเขาปรเดี๋ยวจะได้เจรลีจากไอ้ที่มาหาสวยนี่ไปซะทีแล้วก็อย่าลืมละ่ะว่าเราสองคนนะ่ะต้องเดินตามหลังเขาคู่นี้เหมือนเหมือนกับที่เราเคยเดินตามหลังระพินในครั้งก่อนน่ะ เช็ดถาหัวเราะขันขันขึ้นได้เป็นครั้งแรกเดินผ่าไปล้างหน้าทันทีดารินเหลือบตาดูชัยยันแล้วกล่าวว่าเมื่อกี้นี้ถ้าพี่ใหญ่กับพี่กลางออกมานอกโปงผ้าได้แล้วเหลือเธออยู่คนเดียวแล้วเจ้า ง, งูนั่นมันขดอยู่บนหน้าอกของเธอฉันจะไม่ยุ่งอะไรด้วยเป็ น, นั้นขาดเพราะขนปากเสียชัยยันอ้าปากหาวอ แล้ชูมือขึ้นบิดขี้เกียจถามมาทั้งหาวอ่ะโอ๊ยตือนนานน่นเลยน้อยดารินหมั่นใส่ไม่อยากจะพูดอะไรด้วยอีกเอลูกปืนที่หลอนกำลังจะยัดเพิ่มเติมเข้าไปในแม็กกาซีนไรเฟิลให้เต็มเพื่อทดแทนนัดที่ยิงไปเมื่อกี้ยัดเข้าไปในปากที่อ้ากว้างของชา ย, ยันแทนแล้วเดินผลักไปเช่เพื่อนชายสะดุ้งโยงรีบปูปากทันที พร้อมท้งตะโกนลั่นเฟ้ยเล่น บ, าบา้าๆอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ดีลูก ป, ปืนไม่หลุดก็ไปในคอไม่เกินสิบนาทีหลังจากนั้นทุกคนก็อยู่ในภาวะที่พร้อมจะเคลื่อนที่เพียงแต่รออาหารเช้า ช, าชนิดพอประทังกันเท่านั้นเจตหาและอนุชาสอบถามนานอินถึงเหตุการณ์ก่อนที่ตนเองจะตื่นขึ้นมาก็ได้รับรายงานว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติเรียบร้อยดีส่วนดารินบอกให้พี่ชายและเพื่อนทราบว่าหลอนตื่นก่อนพวกนั้นเพียงไม่เกิน15นาทีเท่านั้นไม่มีใครตื่นเต้นหรือสนใจเรื่องงูจงอางเจ้ากรรมตัวนั้นอีกเลยเพราะถือว่าเป็นอุปโภคเหตุเล็กๆน้อยๆซึ่งแก้ไขผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจากฝีมือของดารินร่วมกันนันอินประกอบกรที่ทุกไฟ ก็ชำนาญสารพัดภัยในป่ามาแล้วเป็นอย่างดีรู้หน้าที่ของแต่ละฝ่ายว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงในเมื่อเกิดเหตุขึ้นจึงสามารถประสานงานสอดคล้องกันได้อย่างกลมกลืนโดยไม่ขัดแยง้งด้วยความคล่องตัวด้วยกันทั้งหมดแม้กระทั่งพวกลูกหาบซึ่งก็ไม่ทำให้เสียพิธีเพราะถ้ามีใครสักคนในจานวนที่มากันทั้งหมดมีความอ่อนหัดหรืออ่อนชั้นเชิงเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่เช่นเกิดมีพวกลูกหาบคนใดที่เกิดมาเดินมาพบงูขึ้นไปขดตัวอยู่บนตัวของนายจ้างอันกําลังนอนอยู่แล้วเอะอะโวยวายทำให้มันตกใจขึ้นอันตรายก็ย่อมจะเกิดขึ้นแน่แล้วอนุชาวรารทิ์ในฐานะมักคุเทศนําทางก็สั่งให้เตรียมพร้อมภายหลังเมื่อทุกคนกินอาหารกันเสร็จอย่างรวดเร็วถอนแคมป์เก็บของหีบหอ่อสัมภาระเข้าประจํำหัก เทถากระชยันเดินตรวจดูรอบๆ อ, อีกครั้งเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงอยู่ในสภาพเดิมทั้งหมดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีพิรุษว่าภายหลังจากที่ม้อยหลับกันไปครั้งสุดท้ายจะมีอะไรแผ่วพานเข้ามาใกล้อีกจึงโบกมือไปทางอนุชาเอาละเคลื่อนที่ได้แล้วอดีตพรานชดก็ต้อนลูกหาบให้เคลื่อนที่ออกจากที่มั่น อันที่เข้ามาอาศัยหลับนอนกันอยู่นั้นทันทีทุกคนลัดออกทางช่องของโขดหินหลีกเลี่ยงซากช้างที่นอนตายอยู่เต็มไปหมดเป็นภูเขาเหล่ า, านั้นไปเงีบเงบยบๆเชษฐาหันมาคว้าแขนน้องสาวผู้ยังล้าหลังยืนพิจารณาอะไรอยู่ลากให้ออกเดินไปด้วยกันพร้อมกับถามว่าเจ้าด่วนของเธอหายไปไหนเนี่ยไม่ทราบค่ะ น้ยถามนานอินและทุกคนที่ตื่นก่อนแหละแต่ไม่มีใครบอกได้ว่ามันหายไปจากแคมป์ของเราตั้งแต่ตอนไหนแต่นานอินบอกว่ามันคงไปหากินและคงจะอยู่ไม่ห่างเรานักคงจะเดินตามไปทุกระยะล่ะค่ะอืมพี่ก็เข้าใจอย่างนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นก็อย่ามัวกังวลไปเลยเธอก็ออกไปเดินนําหน้ากับพี่กลางเขแล้วกันพี่ก็ใช้ยันจะคุมหลังเองดารินเร่งฝีเท้า เดินกลัวตามหลังอนุชาและพวกลูกหาบที่ล่วงหน้าไปก่อนนั้นอย่างแคล่วคล่องรวดเร็วทั้งหมดทิ้งที่พักแรมและหลักฐานของเหตุการณ์สยดสยองที่ผ่านมาเมื่อคืนไว้เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างทำกันอย่างชนิดแข่งกับเวลาสัพปปัญหาที่ตกค้างอยู่ในใจต่างคนต่างเก็บไว้ภายในไม่นามาเป็นข้อวิตกวิจารให้เสียเวลา โดยการแกะรอยอย่างชำนาญของครูพรานนานอินและอดีตพรานชดคณะทั้งหมดตัดพ้นปา่าทึบบริเวณนั้นออกมาได้ครูเดียวก็เริ่มจัดทิศทางได้ทันทีว่าคณะของระพินที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วนั้นตัดไปทางด้านไหนแม้ระยะเวลาจะทอดเว้นห่างกันถึงเจ็ดแปดวันก็ตามกลุ่มคนอันจัดว่าเป็นกองคาราวานจานวน20สบคน เศษวัสดุที่ทิ้งให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นซองหมากฝรั่งของพวกอเมริกันก้นซิ ก, ก้าก้นบุรีและรอยหักกิ่งไม้หรือบากฝันทิ้งไว้อันเป็นนิสัยของพวกพรานของระพินบ่งชี้ชัดไม่ได้เจตนาที่จะทำไว้เพื่อให้ใครติดตามมาเบื้องหลังแต่เป็นธรรมชาติตามปกติวิสัยที่เกิดขึ้นเอง การเดินทางของฝ่ายติดตามในระยะนี้จึงแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการเดินแบบซ้ำทับรอยไปทีเดียวนับตั้งแต่พ้นจากเขตโป่งน้าร้อนออกมาแล้วล่วงเข้าสู่ทุ่งหญ้าอันมองเห็นแนวป่าไผ่อยู่ลิบลิขวางเป็นแถวกั้นอยู่แล้วฉากหลังห่างไกลออกไปเป็นเงาของขุนเขาใหญ่สลับซับซ้อนพอจับเส้นทางแน่ใจได้เท่านั้น ดารินวราริศไม่ทราบกำลังมาจากไหนหล่อนเดินแบบเชาา้าป่าหรือมิฉะนั้นก็มีวิญญาณของระพินไควันเข้าสิงหรือไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยเน็ดอ่อนล้าไม่ห่วงว่าตัวเองจะเดินเว้นระยะห่างทักพวกซักขนาดไหนขึ้นมอลงมากบุกป่าฝ่าดงไปด้วยฝีเท้าที่เบาเกริบแล้วรวดเร็วเกินเชื่อราวกับจะเป็นมรคุเทศนำทางซะเองแม้แต่นานอิน และหม่อมราชวงอนุชาก็ยังถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังไม่มีประโยชน์อะไรซะแล้วที่ใครจะทักท้วงหรือเรียกให้หลอนเข้ามารวมกลุ่มอยู่ด้วยเพราะราชสกุลสาวไม่สนใจฟังเสียงและอันเนื่องมาจากภูมิประเทศบริเวณนั้นยังเป็นป่าโปรง่งโล่งพอจะมองเห็นทัศนวิสัยได้รอบด้านไม่มีอะไรบงังสังเกตเห็นได้รอบทิศทางจึงไม่มีใครห้าม หรือต้องเร่งฝีเท้าตามหล่อนขึ้นไปประกบเพราะแต่ละคนก็ล้วนเดินอยู่ในประเภททำเวลาอยู่แล้วไม่มีใครโอเอชักชาอยู่รูปขบวนเดินทางจึงแบ่งออกเป็นสามจุดกลางทุ่งยากสูงสู ง, สงต่ำๆก่อนที่จะเข้าสู่ดงไผ่นี้คือนำหน้าสุดรุดไปอย่างชนิดไม่ยอมห่วงใครข้างหลังเป็นดารินผู้บุกนาหน้าขบวนอย่างโดดเดี่ยว ทิ้งห่างลงมาประมาณ30เมตรเป็นคู่ของนานอินและอนุชาซึ่งเดินไปพลางก็สังเกตตามพื้นสแสวงหาร่องรอยไปพร้อมกันด้วยถัดมาอีกจึงเป็นกลุ่มของลูกหาบภายใต้การดูแลของขยินและคุมหลังขบวนสุดแต่ก็สามารถจะมองเห็นตลอดไปจนถึงหัวขบวนด้านหน้าเป็นคู่ของเชษฐาและชัยยันการติดต่อถ้าจาเป็น จะใช้เรียกหรือบอกความกันด้วยวิทยุมือถืออันเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันทุกเครื่องสำหรับเชิฐาและชยันไม่จำเป็นจะต้องตรวจสอบหลักฐานอะไรที่คณะของระพินทิ้งตกหล่นไว้ให้สีเวลาคงทำหน้าที่เป็นกองระวังหลังอย่างเดียวเพราะเชื่อแน่ว่าถ้าดารินและนานอินกับอนุชาบ่ายหน้าไปทางไหนหนทางนั้นย่อมแปลว่าถูก แล้วหนึ่งร้อยประมาณสิบห้าองศาตะวันตกเฉียงเหนือที่น้อยกำลังบ่ายหน้านำไปนนเชิดหายกนาฬิกาเข็มทิศขึ้นมาดูแล้วเงยหน้าเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงแรงกล้าขึ้นทุกขณะนั่นใครเป็นคนนำทางกันแน่นะนานอิน ก, กลางหรือว่าน้อยชายันอดเป็นห่วงไม่ได้ บุยปากไปยังร่างเพียวระหงที่เดินคอนไรเฟินไว้ในแขน ด, ดุมดุมนำไปเบื้องหน้าโดยไม่ยอมเหลียวกลับมาดูหลังเลยปล่อยเขาเถอะห้ามก็ไม่มีประโยชน์อะไรคนเราเมื่อตกอยู่ในภาวะเช่นนี้มีพลังงานพิเศษเสมอแล้วถ้าน้อยนำผิดนั้นอินกับนายกลางก็ทักทวงเองแหละตอนที่ทั้งสองคนนั่นเดินตามไปโดยไม่ทวงก็แปลว่าน้อยนะ่ะแกะรอยได้ถูกแล้ว แลเชษฐาก็ชี้มือให้ชยันดูกิ่งไม้เล็กๆที่มีรอยหักพับไว้ริมทางผ่านซึ่งรอยหักของมันแสดงว่าผ่านมาหลายวันแล้วไม่ใช่ดารินหรือพวกที่เดินอยู่เบื้องหน้าเป็นคนหักไว้รีบดวนฉุกและหุกกันดีเหลือกินในการเดินทางของเราแต่ละช่วงนี่ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางกันมานีกลางขนนานอินยังไม่ได้บอกให้เรารู้สักนิดว่าจุดหมายเฉพาะวันนี้เราจะมุ่งไปทางไหน ข้างแม่นั่นก็ไม่ยอมพูดจาว่าขานอะไรเหมือนกันพอออกเดินได้ก็จำอาเอา้านำเลี้วไปตลอดเลยชัยันบ่นเบาๆเชิดฐาจึงปลดวิทยุออกมาจากเอวกดคีย์เรียกกลางร่องรอยของคณะรพินอ่ะแน่ชัดมากใช่ไหมสำหรับระยะเส้นทางนี้ครับเรากำลังเดินทับรอยพวกเขาทีเดียวเหรอครับพี่ใหญ่ เสียงน้องชายผู้รับเป็นมักคุเทศตอบชัดเจนออกมาจากเครื่องรับส่งวิทยุประจำตัวนี่พอจะบอกได้ไหมว่าพวกเราจะบ่ายหน้าไปที่ไหนก่อนสำหรับการเดินทางเส้นทางนี้ชยันกดคีย์ถามไปบ้างเสียงของอนุชาเงียบไปครู่คงจะหาเรืออะไรกะหนันอินแล้วก็ตอบดังแวววออกมาว่าถ้าทายไม่ผิด คงจะมุ่งเข้าหาหมู่บ้านกระเรียงตะเคียนทองระยะทางเดินอีกประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็ควรจะถึงรพินคงจะมุ่งเข้าหาชมรมชาวป่าที่นั่นก่อนเพื่อสอบถามถึงวี่แววของเครื่องบินตกผมเข้าใจเช่นนั้นนะครับเออแล้วเธอคุ้นกับหมู่บ้านชาวป่าที่นั่นดีมาก่อนหรือเปล่าล่ะเชษฐาเป็นผู้ถามระยะห่างกันประมาณหกเจ็ดสิบเมตร ระหว่างฝ่ายเดินอยู่ข้างหน้าและรังท้ายคุยกันได้เหมือนกับเดินอยู่ใกล้ๆกันผมก็ไม่คุ้นเคยนักหรอกครับพี่ใหญ่แต่ลุงอิน่ะรู้จักดีครับในบ้านที่นั่นชื่อโบเมียเป็นหมู่บ้านใหญ่ขนาดห้าหกสิบหลังคาเรือนของพวกเกรียงดงขหยิงก็คงจะรู้จักดีอ่ะอืมถ้าเราแน่ใจว่าเขาจะมุ่งไปที่นั่น มีทางลับทาเวลาให้เร็วกว่าสี่หชั่วโมงบ้างไหมไม่มีครับไม่มีทางลับวิธีอื่นที่จะจนทางได้มากกว่าที่เดินทางตามเข้าไปอย่างนี้และครับยกเว้นแต่จะอ้อมไม่เสียเวลาไปอีกเท่านั้นเส้นทางระหว่างนี้สภาพของภูมิประเทศก็เดินได้สะดวกพอสมควรแล้วแล้วนั่นน้อยเดินนำไปข้างหน้าเชียนอกทิศทางมั่งหรือเปล่าระวังหน่อยนะ หน้าที่เห็นอยู่นะ่ะเริ่มจะเป็นป่าปลวกระเกะระ ก, กะไปหมดมีเหลี่ยมมุมบังตามากอย่าปล่อยให้เดินล่วงหน้าไปคนเดียวล่ะครับครับไม่ต้องห่วงครับพี่ใหญ่น้อยนะ่ะแกะร่รอยได้ไม่แพ้ผมหรือนานอินน่ะและที่ไม่หยุดรอก็คงเพราะต้องการเร่งพวกเราแล้เดี๋ยวผมจะเร่งตามให้ทันครับก่อนที่จะรับเข้าดงปลวกที่เห็นอยู่นะั่นพี่ใหญ่ก็ให้ขยินเร่งพวกลูกหากระชั้นเข้ามาหน่อยนะครับ พวกนั้นออกจะเดินช้าไปซะแล้วน้องชายกลางแนะนำมาเชษฐาก็ตะโกนบอกขยินและพวกลูกหาบทันทีให้เร่งเวลาขึ้นอีกตนเองและชา ย, ยันก็โกวดกระชั้นเข้าไปวิธีเร่งของเขาง่ายนิดเดียวแกลงเดินแซงผ่านกระบวนลูกหาบขึ้นไปเท่านั้นจ้าลูกป่าทั้งห้าคู่ก็หาบของกันจ้ำลิวลิวลิ ว, ลวอาจเป็นไปได้ที่เขากระชา ย, ยันมัวรังทายอยู่ ยังพลอยพาให้ลูกหาบย่อนฝีเท้าลงไปด้วยขนาดนั้นเองทุกคนที่เดินอยู่เบื้องหลังเรียงรายกันอยู่เป็นกลุ่มๆ ก, ก็สังเกตเห็นดารินซุดตัวลงนั่งคุกเขา่าบังอยู่ที่ปลวกลูกหนึ่งกำลังมีอาการเหมือนจะส่องกล้องจับไปยัง ป, าาปง่าไผ่โปรงๆด้านขวามือของหลอนอะไรน้อยมีอะไรเหรอ เสียงพรานชดวิทยุถามไปทันทีเมื่อเห็นอาการของน้องสาวคนเล็กผู้อยู่ห่างเบื้องหลังบริเวณที่กำลังจะไต่ขึ้นเนินพี่กลางมีกระสู้แม่ลูกอ่อนนอนเกลือกปลักเคี้ยวหนามไผ่อยู่ทางด้านขวามือนี่ค่ะห่างจากน้อยไปหกสิบเมตรหันหน้ามาทางพวกเราด้วยสองตัวแม่ลูกเท่านั้นล่ะค่ ะ, ะระวังนะน้อย อนุชาหรือพรานชดร้องสั่งทางวิทยุเร็วปื้อพร้อมกันหยุดชะงักปลอยให้คนอื่นๆหยุดตามไปด้วยเพราะได้ยินเสียงตอบโต้ทางวิทยุอย่างถนัดสังเกตที่ทางลมลมพัดไปทางไหนน้อยอยู่เหนือลมมันหรือเปล่าถ้ามันเพนขึ้นมาอย่าทิ้งปลวกลูกนั้นนะขอยวิ่งอ้อมหลบตรงปลวกลูกนั้นแหละอย่าพลาหางออกไปดารินลดกล้องในมือลงคล้องไว้ที่คอ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 พร้อมกับขยับลูกเลื่อนขึ้นลําในระยะที่เว้นห่างแยกทางกันออกไปนี้ไม่มีพุ่มพงหรือป่ามาบังพอจะสังเกตบริเวณที่ดารินสุดกายยึดที่มั่นอยู่ได้อย่างถนัดหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะสามารถส่งกระสุนไปช่วยเหลือได้ทันการแม้ระยะห่างออกไปบ้างมันก็ไม่เกิน150เมตรเท่านั้นซึ่งอนุภาพขนาดจดสแมกนัม พอจะช่วยคุมสถานการณ์ได้ส่วนอนุชาและหนานอินก็เร่งฝีทงเท้าวูบก็ไปถึงตัวน้องสาวได้ทันทีชั่วไม่กี่อึดใจและก่อนที่จะเข้าถึงตัวทั้งสองก็มองเห็นเป้าหมายอันไม่น่าไว้วางใจก่อนแล้วจริงอย่างที่ดารินบอกแรดใหญ่แม่ลูกอ่อนตัวนึง กำลังนอนเกลือกปลักโครนเป็นที่สำราญบานใจอยู่กับลูกอ่อนเล็กๆของมันตามลำพังสองตัวระยะห่างเกือบ80เมตรมองดูครั้งแรกเหมือนบูนดินกลางปลักเลนนั้นถ้าไม่ใช่เพราะสังเกตเห็นหูเล็กๆทั้งสองข้างซึ่งนานๆจะกระดิกมีนกบางชนิดเกาะ อ, อยู่ตามลำตัวทั้งสีสักพร้อมทั้งบินขึ้นขึ้ น, นลงลง ขณะที่ทั้งคู่เข้ามาถึงเป็นเวลาที่มันขยับตัวชูคอสูงขึ้นมาอีกและหันหน้ามาทางที่ดารินกับกองคาราวานของเชษฐาเลี่ยงอ้อมหลีกทางเหมือนจะเพ่งมองด้วยตาเล็กตีของมันแต่ก็ยังไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรมากไปกว่านั้นเพราะสัตว์ประเภทแรกเชื่อในจมูกมากกว่าสายตาของมันเองและขณะนี้ฝ่ายมนุษย์ เป็นฝ่ายอยู่ใต้ลงนออันแหลมอันหน้าเหนือดั้งจมูกยาวร่วมสอกทั้งทั้งที่เป็นแรกตัวเมียส่วนนออหลังสั้นลงมาครึ่งหนึ่งในภาวะเช่นนี้ไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันได้ว่าเจ้าสัตว์ให ญ, ญ่โบราณตัวนั้นจะกระสากลิ่นไอของมนุษย์ขึ้นมาเมื่อไร หากลมเกิดแปรทิศโดยธรรมชาติที่มีอารมณ์ร้ายหงุดหงิดอย่างปราศจากเหตุผลอยู่ตลอดเวลาของมันยิ่งกว่าสัตว์สี่เท้าชนิดใดในโลกนี้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะปรีเข้าใส่เมื่อไร่ไม่ต้องส่องด้วยกล้องเพียงแค่ตาเปล่าก็มองเห็นกันอย่างถนัดเพราะระยะไม่ห่างไกลออกไปนักผ่านชดพอย่องกลิบเข้ามาถึงตัวน้องสาว ก็จับไหล่ดึงให้ยืนขึ้นถอยน้อยก่อนที่มันจะได้กลิ่นเราน้อยเดินไปก่อนตรงไปสมทบกับพวกพี่ใหญ่ที่ตีอ้อมไปนั่นเดี๋ยวพี่กรลุงอินจะคุมเชิงไว้ตรงนี้แล้วจะค่อยๆถอยตามไปก็ทำไมเราไม่ไปด้วยกันล่ะคะน้นว่ามันคงไม่ลุกขึ้นมาไล่เราหรอกพระลมพัดจากทางมันมาหาเรา หล่อนกระซิบถามพรานชุดสันสีสั่เชื่อพี่ดีกว่าอย่าให้ต้องม า, อาห่วงหน้าพาวงหลังอยู่เลยน้อยไปซะก่อนและถ้าจำเป็นจริงๆพี่กะลุ ง, งีนะคล่องตัวกว่าน้อยมากพอน้อยไปได้สักครึ่งทางเห็นว่าปลอดภัยแน่แล้วพี่จะถอยตามเราจะไม่ฆ่ามันโดยไม่จำเป็น ดารินพยักหน้าอย่างว่าง่ายถอนออกจากตำแหน่งเดิมที่นั่งซุ่มอยู่โดยใช้ปลวกลูกนั้นเป็นที่กำบังตาแล้วออกเดินลิ้วตัดทางเข้าไปเพื่อจะบรรจบกับคณะของพี่ชายใหญ่ที่กำลังเดินเลี่ยงอ้อมอยู่ทันทีขณะนั้นสังเกตเห็นเชิฐถากับชา ย, ยันถือไรเฟิลพร้อมในมือกำลังหยุดยืนหันหน้ามามองอยู่แล้ว ส่วนพวกลูกหาบก็ถูกขยินต้อนให้ลิวรุดต่อไปอนุชาวราฤทธ์ป้ายแขนเสื้อเช็ดเงื้อรีตายิบหยีดูแรดสองนอตัวมาคือมานั้นนิ่งพร้อมกับหนานอินผู้นั่งยองๆ อ, อยู่ใกล้ๆเสียงแก่บนพึมพำ ม, มาว่าไอท้ทีจะเจตนาล่าเรอะก็เดินตามรอยกันเป็นปีข้ามเขาข้ามป่า ไม่รู้สักกี่ลูกไม่พบในเวลาที่ไม่เจตนาจะล่ากก็พบกันง่ายๆขนาดมันงามจริงๆใะนายชดุดไอ้ตัวนี้ได้หลายอัดและถ้าเอาเข้าไปถึงตลาดในเมืองก็ได้เป็นแสนอาการของครูพรานคันมือคันไม้เป็นอย่างยิ่งโชคดีมากที่น้อยตาไวห็นเข้าซะก่อน คลาดพั้งเดินเขไปใกล้โดยไม่รู้ตัวแล้วก็แย่ yeah, ทีเดียวอันรู้ชาว่า hmm. นายหญิงน่ะเก่งจริงๆเก่ ง, งยังกับพรานอาชีพนั่นแหละรู้ด้วยว่าแรหรือกระสุคนเคยบุก ป, ปาา่าฝาน้ำกระพินมาแล้วจนกระทั่งไปตามตัวเราสองคนลงมาได้มันก็ยิ่งกว่าพรานอาชีพที่เดินเรียบอยู่เฉพาะชายดงมาตลอดชีวิตจะอีกนายหญิงอ่ะ ในป่าและเป็นผู้หญิงตาตัวเท่านั้นแหละไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกกล่าวพลางอนุชาหรืออดีตพรานชดก็ยกวิทยุขึ้นพี่ใหญ่ครับอได้ยินมีอะไรผิดสังเกตรหรือยังทั้งด้านโน้นยังครับยังมันยังนอนแช่โคลนเฉย อ, อยู่ตอนนี้ผมปล่อยให้น้อยไปสมทบกับพวกพี่ใหญ่ก่อนนะแล้วก็อย่าเพิ่งประมาท ทางด้านนี้มีอยู่สองตัวแม่ลูกเท่านั้นแต่ให้สังเกตไปรอบๆทุ่งหรือป่าปลวกใกล้ๆด้วยอาจจะมีตัวอื่นๆเกกิกะอยู่อีกอกำลังพยายามตรวจหาอยู่เหมือนกันสำหรับทางด้านนั้นท่านแน่ใจว่ามันไม่ชาร์จเข้ามาก็ถอยได้แล้วหละ่ะกลางเราจะไม่ยิงสัตว์ทุกชนิดโดยไม่จำเป็นครับน้องชายรับคำแล้วอีกอึดใจใหญ่ๆพอสังเกตเห็นน้องสาวคนเล็ก เดินเข้าไปเกือบจะถึงขบวนของเชษฐาแล้วอนุชาก็สะกิดไหลหนานอินทำสัญญาณให้ถอยอย่างเงียบกริบเดินตัดป่าปลวกตรงเข้าไปสมทบกับพวกนั้นโดยขณะที่เดินห่างจากจุดเดิมออกมาก็บกมือทุกคนบายหน้าเข้าไปหาป่าไผ่อันขวางถมืออยู่เบื้องหน้าทันทีแล้วขบวนทั้งหมดก็เดินแยกกันออกไปเป็นระยะ ะ, ยะก็เข้ามารวมกลุ่ม เป็นขบวนเดียวกันอีกครั้งฮ่าลุงอบไปทีที่ไม่ต้องฆ่ามันเพราะถ้ายิงแม่ก็ต้องยิงลูกด้วยอนุชาบอกกับพี่น้องและเพื่อนระหว่างที่ก้าวรุ่หน้ารัวมหมูไปด้วยกันพร้อมกับสำรวจดินบริเวณที่กำลังเดินผ่านกันไปกล่าวต่อมาว่ามีรองรอยฝนตกใหญ่อาทิตย์กว่ามาแล้วย่ากลังแตกระบาด แล้วก็มีแหล่งโคลนบางแหล่งทั้งๆ ท, ที่ระยะ น, นี้เป็นดูดูแรงมากประโยคหลังเขากล่าวขึ้นลอยๆอนี่เราอ้อมออกจากเส้นทางเดินของเราพินมาแล้วสินะใช่ไหมช้ยันเประยะถามขึ้นก็เลี่ยงห่างกันแค่ไม่มากนักรอกนายทหารเดี๋ยวก็บันจบพบร้อยอีกนั่นแหละในป่าภัยข้างหน้านน ครูพลานเป็นคนบอกเชถาเอื้อมมือไปตบหลังน้องสาวที่เดินอยู่เบื้องหน้าน้อยตอนนี้เป็นคำสั่งจากพี่นะ่าเริ่มจะทึบแล้วก็มีเหลี่ยมมุมบังตาถี่ขึ้นแล้วน้อยอย่าเดินโดดเดี่ยวตามลำพังขึ้นไปคนเดียวแต่ให้เกาะหมู่ไปกับพวกเราถ้าจะมีการเดินนำพี่ขอให้เป็นกลางหรือลุงอินนะ ดารินรับคำง่ายๆแต่คณะทั้งหมดก็ยังเดินรวมกลุ่มกันอยู่พวกลูกหาบตามหลังส่วนขยินเดินอยู่ท้ายสุดอย่างรู้หน้าที่เพราะได้กำหนดนัดแนะกันไว้ก่อนแล้วไม่ว่าจะเคลื่อนไหวกันไปทางใดจะต้องมีคนใดคนหนึ่งของฝ่ายนายจ้างเป็นกองระวังหลังดูแลพวกลูกหาบไว้เสมอเนื่องจากในภาวะที่กาลังแบกหามของอยู่นั้นพวกลูกหาบต่อให้ชนานาญภายในป่าเช่นไร ก็จะไม่อยู่ในฐานะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างฉับพลันในนาทีวิกฤตได้เลยวิธีการเช่นนี้ทุกคนต่างเรียนรู้ศึกษาซึมซาบแก่ใจได้ดีมาตั้งแต่คราวเดินไครร่วมกับระพินในครั้งนั้นอันนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม45นาทีถัดมาใกล้เที่ยงเต็มทีมองหินดงไัยทึบอยู่เบื้องหน้า แล้วสิ่งที่ทำความประหลาดเอใจให้แกคณะทั้งหมดก็คือเหนือท้องฟ้าบริเวณยอดภัยเหล่านั้นดำพืชไปหมดด้วยฝูงแรงนับไม่ถ้วนราวกับแรงทั้งป่าบริเวณนั้นทั้งหมดจะมาชุมนุมเสวานานัดแนะอะไรกันอยู่ที่นั่นเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นพันพันตัวและที่เห็นเกาะทาคอรุปอยู่ตามกิ่งไผ่เต็มไปหมดและเป็นจุดดาอยู่ทั่วทั่วไป ทุกคนก็มเมนมองอย่างสงสัยดารินกับชา ย, ยันใช้กล้องส่องสํารวจด้วยความพิศวงแล้วหันมามองหน้าหนานอินกับพรานชดซึ่งยืนชะงักไปนิดหนึ่งจ้องมองด้วยตาเปล่าอยู่เช่นกันดารินส่งกล้องให้พี่ชายกลางเงียบๆเขารับไปส่องดูแล้วเป่าลวมออกจากปากเบาๆหลุดปากออกมาได้เพียงประโยคสั้นๆวะน่าคิดแฮะ พี่ว่าเป็นพันพันตัวเลยนะนะั่นที่ที่อยู่ของมันนี้ยังไงไม่ใช่ที่อยู่ของมันนะครับพีไ ย, ยแรงอาจอยู่เป็นฝูงแต่จะไม่มากมายเต็มไปหมดเหมือนอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับผมว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติในป่าไผ่ข้างหน้านั่นซะละ้วกล่าวจบอดีตพรานชดก็ร้องบอกให้พวกลูกหาบที่กําลังเดินล้าไปเบื้องหน้าให้หยุดลงก่อนตอนเองเดินครับ ไปที่หอสัมภาระหอหนึ่งทันทีทุกคนเข้าไปมุงอย่างไม่เข้าใจแล้วก็ลืมตาโตเมื่อเห็นหมอมราชวงศ์อนุชาคว้าวอ7มเจกหรือเครื่องยิงระเบิดขนาด40สมมพร้อมกับกระสุนออกมาสองนัดส่วน m อ6แบบพับฐานส่งแจกจ่ายไปให้กระดารินเชษฐาและชยันคนละกระบอกเฮ้ยอะไรกันอีกกลางชยยันร้องออกมา อนุชา ย, ยืนขึ้นหักลำกล้องเอ็มเจ็ดเก้าออกบรรจุกระสุน ร, ระเบิดสี่สิบมมนัดหนึ่งเข้ารังเพลิงแล้วปิดลำกล้องหัวแม่มือผลักปลดก้าห้ามไกมีซากตายอยู่ในบริเวณป่าไผ่นั่นเป็นจำนวนมากทีเดียวไม่งั้นแรงจะไม่ลงนับพันพันตัวแบบนี้นี่บังเอิญขณะนี้เราอยู่เหนือลมจึงยังไม่ได้กลิ่น แต่ถ้าเข้าไปในนั้นแล้วคงทนกลิ่นแทบไม่ไหวทีเดียวซากตายเหรอซากของอะไรอดีตนายทหารปืนใหญ่ระล่ำระลักออกมาเร็วปรือสีหน้าของทุกคนงงงันไปหมดใครจะไปรู้่จนกว่าจะเข้าไปเห็นนะ่ะอ้าวแล้วนั่นแกจะทำอะไรงัดเอ็มเจ็ดเก้าออกมาทำไมรวมทั้ง m อ็มสบหกที่เอามาแจกพวกเรานี่ด้วย ทั้งหมดเริ่มระสั่มระสายไม่สบายใจขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นหน้ากับกิริยาของอนุชาซึ่งเขาตอบเรียบๆว่าเมื่อมีซากตายมากแร้งก็แหกันมามากอย่างที่เห็นเนี่ยแรงนะ่ะมันไม่ทําอะไรพวกเรารกนอกจากก่อความรำคาญแต่สัตว์บางชนิดที่เข้ามาอาศัยกินซากอยู่ด้วยมันอาจจะโตมโจมตีเราได้เป็นต้นว่าพวกหมาป่า หรือหมาในทั้งฝูงนับรอยๆตัวขืนพรวดพลาดไปตอนนี้พวกเราอาจจะถูกโจมตีได้แล้วอาจจะยิงด้วยปืนล่าสัตว์ไม่ทันเนี้ยขอเคลียร์บริเวณไล่พวกมันให้กระจายไปซะก่อนโดยเครี่งเครื่องยิงระเบิดนี่สักสองลูกจะปลอดภัยกว่ากล่าวจบอนุชาวราริตก็ประทับเครื่องยิงระเบิดขึ้นไหลดารินก็โดดเข้ายึดแขนไว้ทันที ร้งล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวพี่กลางยิ่งระเบิดเขาไปได้ยังไงเผื่อพวกระพินอยู่ในนั้นมีตายหมดเลย <c oughs> ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าระพินหรือพวกของเขาอยู่ในนั้นและกําลังเป็นเหยื่อของฝูงแรงเหล่านั้นอย่างเก่งก็อาจจะเหลือแค่กระดูกไว้เราดูถ้าเขาและพวกของเขาตายแล้วก็จะไม่มีการตายซ้ำเพราะระเบิดหรอ บอกแล้วไงว่าจะขอเคลียรบริเวณก่อนไม่งั้นพวกเราเข้าไปไม่ได้หรอกมันอันตรายแล้วอนุชาหรืออดีตพรานชุดก็ประทับ M79 ขึ้นอีกครั้งบายปากกระบอกประมาณ30องศาจากระดับพื้นมุ่งตรงไปยังบริเวณป่าไผ่ทึบที่เห็นฝูงแรงนับพันทั้งที่บินว่อนทั้งเกาะ อ, อยู่เต็มไปหมดนั้น ระยะมันห่างประมาณ300รอเมตรจากตำแหน่งที่ยืนกันอยู่และแนวของป่าไผ่ที่ขวางหน้า <It alia> ทุกคนนั่งลงก่อนเขารองสั่ง <Guard>. <Philadelphia> <s mers qua> ทั้งหมดสุดตัวลงนั่งกับพื้นทันทีตามคำสั่งวอมราชวงอนุชาคำนวณเป้าหมายในการยิงในระดับโดงให้ย้อยตกเข้าไปกลางไผ่ดงทึบที่เห็นฝูงแรงหนาแน่นที่สุดนั้น ตั้งศูนย์ระยะ350เมตรแล้วเหนียวไก่เสียงเอ็มเจแบบลูกระเบิดดังป๊อปทันทีที่เข็มแทงชนวนเจาะแก๊ปท้ายและโดยตำแหน่งที่ทุกคนรวมกันอยู่ต่างแลเห็นไทยกระสุนเป็นจุดดำๆวิ่งโดงโค้งไปหาป่าอย่างถนัดเพราะความเร็วของมันแค่300ฟุต ต่อวินาทีเท่านั้นอึดใจใหญ่ทีเดียวนับตั้งแต่มันพุ่งผลปากลางกล้องออกไปจึงปรากฏเสียงบึ้มดังแว่วสะเทือนออกมาเหมือนใครเอาระเบิดมือเข้าไปปาอยู่ในดงนั้นความทึบและยอดสูงของป่าภายัยทำให้ไม่เห็นว่ามีอะไรพินาทย่อยยับไปบ้าง มีก็แต่อนุภาพของเสียงที่สั่นสะเทือนมาให้ได้ยินเท่านั้นแต่สิ่งที่ติตาไม้เห็นทันตาก็คือบรรดาแรงฝุงใหญ่ที่เกาะบ้างบินบ้างอยู่ในละแวกนั้นบังเกิดอาการแตกตื่นโกลาหนอนลอลลามานส่งเสียงร้องแซ่ซั่พากันบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามืดมัวไปหมดจํานวนมากเสียกว่าที่มองเห็นแต่แรกเสียอีกพวกลูกหาบหนานอิน และขคยยินไม่เคยได้ยินเสียงสะเทือนแผ่นดิงของระเบิด40มม ม, มาก่อนพากันร้องเฮ้ยแล้วจ้องเขม็งไปยังป่าไผ่นั้นเป็นตาเดียวอนุชาเกลี่ยลิ้นออกมาแตะริมฝีปากหักลำกล้องปืนอันมีลักษณะเหมือนลูกซองเดียวบรรจุเดียวดีดปอกกระสุนเตาที่ยิงแล้วให้กระเด็นพลวออกมาจากรังเพลิง แล้วยัดลูกที่สองเข้าไปอย่างใจเย็นปิดลำกล้องปลดเซฟประทับไล่อีกครั้งคราวนี้เขาเบี่ยงทิศทางเล็กน้อยเพื่อที่จะให้อนุภาพของ m อ9เจ็เกแจกไปให้ทั่วภายในอาณาบริเวณที่ต้องสงสัยนั้นแล้วก็เหนียวกายอีกเบาะหนึ่งท้ายกระสุนเห็นเป็นจุดดำดำ ก็ลอยโดงลิ้วลิ้วพุ่งเข้าไปยังบริเวณนั้นอีกพร้อมกันชั่วสองสามพริบตามันก็บึ้มขึ้นอีกเป็นวาระที่สคราวนี้อาจเป็นได้ที่หัวกระสุนชนิดกระทบแตกไม่ทันจะหล่นถึงพื้นแต่กระทบกิ่งไผ่เข้าซะก่อนเปลวไฟจึงแลบวับแดงฉานพร้อมกับกิ่งใบไผ่กระจายว่อน ท่ามกลางม่านควันสีเทาๆเดีย๋ยวว่าแต่แรงนับพันๆเหล่านั้นเลยต่อให้สัตว์ใหญ่ขนาดช้างทั้งขโขลงถ้าหากอยู่ในละแวกนั้นก็จะต้องแล่นกันตูชี้จากกำรรปนาทของอาวุธสงครามมันไม่ถึงกับหนักหน่วงอะไรนะักแต่ก็ไม่เบาเสีทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุภาพจากเสียงระเบิดและสะเก็ดที่พายุกระจายไปรอบทิศ ทั้งหมดเงียบ ก, กันไปชั่วขณะมองดูความวุ่นวายเจ้าละวันของฝูงแรงที่พากันบินแตกคือแล้วโผขึ้นสู่นภาอากาศเบื้องสูงชนิดตัวใครตัวมันท้องฟ้าเหนือป่าไผ่บริเวณนั้นแลดูมืดมัวไปหมดเชื่อว่าคงไม่เหลือตัวใดที่บังอาจเกาะตามกิ่งไม้หรือลงจิกกินซากที่สงสัยว่าจะยังอยู่ในดงนั้นได้อีกต่อไปเพราะความตกใจต่อเสียง และแม้ว่าเบื้องล่างในดงจะพบผสมโรงอยู่กับฝูงหมาป่าหรือหมาในตลอดจนสัตว์ ร, ร้ายเป็นฝูงอันพรานชดหรือหม่อมราชวงศ์อนุชากับพวกสงสัยว่าอาจจะมีอยู่ก่อนแล้วพวกมันก็ต้องแล่นกันป่ารากอนุชานั้นภายหลังจากยิงนัดที่สองไปแล้วก็ส่งปืนให้ชัยยันตัวนี้ปลดกระติกน้ำออกมาเทกรูคอนิดนึงตายังจับอยู่ที่ปาภัยเบื้องหน้า ควักบุรีจากกระเป๋าเสื้อออกมาจุดสูดเป็นกันไปหมดแล้วโอ้โหพอะมันบินขึ้นมาไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมากมายถึงขนาดนี้ไม่รู้สักกี่พันตัวนะรออสักคู่แล้วกันเดี๋ยวกยเข้าไปรอให้มันบินหนีไปให้หมดซะก่อนถ้าไม่ใช้ระเบิดแล้วก็ไม่มีทางหรอกที่จะขับไล่มันหนีกันไปได้ อนุชาก็หันมายิ้มกับน้องสาวซึ่งกำลังยืนซอยเปลือกตา ท, ทีอยู่พูดสรพยอกว่าแต่ขอโทษทีนะน้อยถ้าบังเอิญยอดชายในพรานของเธอเข้าไปนั่งดมกลิ่นซากเน่าแล้วก็คุยอยู่กับฝูงแรงพวกนั้นก็ช่วยไม่ได้จริงๆบ่านนี้คงจะเละไปแล้วล่ละด้วยสะเก็ดระเบิดพู้บา้บาพี่กลางคนยิงใจไม่ดีอยู่ด้วย ดารินบุญออกมาเบาๆแล้วเอื้อมมือคว้าเอ็นเจเกาจากมือชา ย, ยันบอกว่าไหนขอลองสักนัดสิไม่เคยยิงมาก่อนเลยไอ้เจ็เก้านี่ท่าทางมันจะดีพี่ลึกพี่ชายกลางสั่นสีสษบบอกว่าม่มีลูกกันมาไม่มากนะักสงวนไว้ใช้ ย, ยามจำเป็นดีกว่าแค่สองตงบริเวณ น, นั้นทั้งหมดก็สะหาดพอสมควรแล้ว หมายถึงว่าถ้าจะมีสัตว์อะไรมาเกะ ก, กะอยู่มันก็เปิดหมดเอาไว้จำเป็นจริงๆแล้วค่อยยิงไม่มีหวังได้ยิงแน่ถ้าเราตามระพินทันเมื่อไหรและการเจราจากับมริกันพวกนั้นไม่เป็นผลอืมภาวนาวะขออย่าเป็นอย่างนั้นเลยชัยยันว่าเรามีไอกระบอกรูปร่างตลกตลกอย่างนี้มาสองกระบอกไม่ใช่หรอครับ ดารินยกเครื่องยิงระเบิดลักษณะเหมือนปืนลูกซองสั้นแต่ลำกล้องโตนั้นขึ้นมาดูอย่างสนใจเพราะก่อนออกเดินทางมาหล่อนไม่ได้ทำความรู้จักหรือสนใจกับมันมาก่อนเลยอืมใช่สองกระบอกอยู่ในหอนนี่กระบอกนะึ่งกูนำพลจัดเตรียมหาไว้ให้เราครบตามที่สั่งแล้กระบอกละสามสิบนัดรวมเป็นหกสิบเป็นหัวระเบิดอย่างละยี่สิบ หัวเพลิงอีกอย่างละสิก็พอพอได้ซับ ก, กันที่มากันคราวนี้นกองโจหรือหน่วยคอมมานโดเราดีๆนี่พร้อมที่จะปะทะหรือโจมตีได้ทุกขณะไม่ว่ากับคนด้วยกันหรือกับสัตว์แล้วก็เชื่อว่าพวกที่เอาตัวระพินไปด้วยก็คงไม่ได้ไปกว่าเราหรอกตกลงกันได้ก็ดีไปถ้าตกลงกันไม่ได้ก็มีวังแหลกกันไปข้างหนึง่ง พูดจบอนุชาก็หัวเราะเสียงพิกลอยู่ในลําคอถ้างั้นก็สอนน้อยไว้ก่อนเถอะค่ะ น, น้อยยังไม่เคยยิงหรือรู้จักไอ้กระบอกพันนี้มาก่อนเลยก็ง่ายง่ายจะยิงปืนลูกซองเดียวแบบลูกทุ่งได้ก็ยิงไในเครื่องทรงระเบิดเจ็ดระเบิดเจ็ดเก้านี่ได้ลักษณะการใช้งานก็ใกล้เคียงกันมากที่สุดนัแหละชา ย, ยันบอก พร้อมทั้งฉวย M79 ไปอธิบายให้เพื่อนสาวฟังนี่นี่ทำงี้นะหากหางปลาหรือหังเดี่ยวบิดไปทางขวาเหมือนลูกซองเดียวหรือแฝดอ่ะแล้วตบลำกล้องให้หักลงลูกยัดเข้าไปในลำกล้องแล้วก็หักคึนเข้าที่ห้ามไกลบนคอปืนนี่จะเข้าเองโดยอัตโนมัติทันทีที่เราหุบลำกล้องปิดสนิทลงเวลาจะยิงก็ห้ามผลักไกออกซะก่อน ระยะยิงวิถีราบเหมือนปืนธรรมดาไม่ควรเกินรอยเมตรใช้ศูนย์ปกติของมันแรงถีบสะท้อนถอยหลังน่ะต่ำกว่าลูกซองนิดหน่อยแต่ให้ระวังตัวเองและพวกเราไว้ด้วยเพราะถ้าระยะใกล้เกินไปนักเช่นห้าหสเมตรหากตัวเองหรือพวกเราอยู่ในรัศมีสะเก็ดระเบิดมันอาจจะปลิวมาถึงได้ถ้าจะยิงไกลแบบหยอดก็เอาแท่นศูนย์กลางลากล้องนีขึ้น ร่นปรับระยะศูนย์ได้ตามอัตราที่บอกระยะไว้ระยะไกลสุดก็ไม่กวนเกินหกร้อยเมตรวัตถุหรือสถานที่จะไม่เป็นอันตรายมากนะักเพราะหัวระเบิดเล็กแต่สะเก็ดจะแยกออกไปรอบทิศจุดประสงค์มาททำลายคนมากกว่าทำลายบังเกอร์มันเป็นแบบหัวกระทบแตกเหรออืมใช่เป็นหัวกระทบแตก จนวนที่หัวะจะเริ่มทำงานเมื่อกระสุนบิดตัวครบรอบของมันตามปกติแล้วก็จะพ้นจากลํากล้องเพียงแค่1ิฟุตเท่านั้นมีอะไรบางหน้าอยู่ชนเข้าระเบิดทันทีอย่าคิดว่าสิหลาหรือ10เมตรอย่างที่บางคนเข้าใจคะนะความจริงน่ะมันอามหรือชนวนระเบิดทำงานเมื่อพ้นลากล้องแค่1ิบฟุตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลายิงในป่าทึบให้ระวัง ว่าไม่มีอะไรขวางหน้าอยู่ใกล้ๆด้วยหรือเปล่าไม่จะยิงฝ่าพุ่มไม้ออกไปกระสุนยังไม่ทันพ้นตัวไกลกระทบกิ่งไม้เล็กๆกีดขวางอยู่มันจะบึ้มเขาหาตัวเองซะก่อนเพราะฉะนั้นต้องระวังข้อ น, นี้จงหนักใช้เป็นก็ได้ประโยชน์ใช้ไม่เป็นหรือเข้าใจผิดๆตัวเองก็รับเคราะหแทนละดารินเริ่มให้ความสนใจทันทีรับมาทดลอง หักลำกล้องแล้วปิดปลดห้ามไกประทับไรแล้วเหนี่ยวไกยิงแห้งหรือรายไฟาดูเอาละพอจะเข้าใจแล้วทีนี้ว่าถึงความแม่นยำละ่ะความแม่นยำเหรอในวิถีราบไม่เกินร้อยเมตรถึงแม้จะเป็นเครื่องยิงระเบิดก็แม่นยำไม่เร็วทีเดียวพอๆกการยิงปืนลูกซองชนิดลูกโดดนั่นแหละ แล้วก็จำไว้นะว่าถ้าจะยิงในวิถีราบชนิดเล็งด้วยศูนย์ระยะต่ำสุดนั่นตัวเองจะต้องมีที่กำบังก่อนยิงใกล้เข้าเท่าไหร่ที่กำบังก็จะต้องแข็งแรงขึ้นเท่านั้นรากไม้ใหญ่ต้นไม้โตโตหลังโขดหินอย่ายืนยิงแบบลูกซองหรือไรเฟิลธรรมดาไปนันขาดเพราะอย่างที่บอกแล้วรัศมีระเบิดมันกระจายรอบทิศ ไกลถึงห6 0เมตรเป็นระเบิดสังหารสะเก็ดเรียดกระพื้นชิ้นส่วนสะเก็ดลักษณะเหมือนสปริงขดลวดคมคมชิ้นเล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อจะแจกจ่ายออกไปอย่างทั่วถึงในการทาลายหมู่หมู่คนถ้าถูกจังก็ ต, ตายทันทีไม่จังก็บาดเจ็บพิการเพราะสะเก็ดเล็กๆมันปลิวเข้าไปฝังชายันอธิบายอย่างรวดเร็ว ในฐานะที่ชำนาญอยู่ก่อนแล้วแล้วพยักหน้ากับอนุชาดีดนิ้วแบมืออไปนีในกลางอย่าคิดเหนียวนูกนักเลยขอสักนัดเอะฉันใจน้อยทดลองกับมือเองก่อนทำไมงั้นเวลาใช้งานจริงนะอาจไม่ได้ผลเีนหน้าอีกสักนัดมันคงไม่หมดเปลืองอะไรนักหรอกพวกเราสามคนมน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันเป็นห่วงรายเนี้ เกิดจำเป็นขึ้นมาไม่จะประคุงคว้าเนี่ยออกมาใช้เมื่อไรไอ้ความที่ไม่รู้หรือไม่เคยมาก่อนจะพลอยทำให้ตัวเองหรือพวกเรานะ่ะปนปีแค่เปล่าๆ เ, เพราะฉะนั้นให้เขาลองดูสัสกนักแล้วกันอนุชา ป, ปลดลูกจากสายสะพายส่งให้กัญชั ย, ยันนักหนึ่งเอา้าตามใจจะลองดูก็ได้ชัยยันรับมาดอกในมือ แล้วเข้ามายืนประกบด้านขวาของรา ช, ชสกุลสาวไว้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพร้อมกันก็โบกมือไล่ให้พวกลูกหาบที่เข้ามามุงดูอยู่ให้หลีกทางถอยหลบไปยืนอยู่ด้านหลังเอานะน้อยฉันใจเธอทดลองยิงดูอดีตนายทหารปืนใหญ่เอ่อยขึ้นช้าช้าชัดเจนเป็นการยิงในระดับแนวราบ เพื่อทดสอบความแม่นยาและอนุภาพของระเบิด40มมนี้ด้วยเราจะลองกันเดี๋ยวนี้เลยเตรียมพร้อมไห่ยังดารินลังเลอยู่ครู่ก็เม้มปากพยักหน้าโอเคพร้อมเป้าหมายคือลำต้นของต้นไม้ที่ยืนตายซาดอยู่บนเนินน่ะรยะถูกไหมห่างจากนี่สักเท่าไหร่ ก็เห็นจะไม่เกินร2อยี่สิบเมตรแต่ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยเมตรอะมั้งอืมถูกต้องเป็นการคำนวณที่ใกล้เคียงมากลำต้นของต้นไม้ที่ยืนโดดเดยอยู่นั่นนะฉันกวะว่าขนาดเสาหน้าแปดลำต้นมันก็คงไม่แข็งแรงอะไรนักหรอกเพราะเป็นไม้ผูกไม่ต้องเอาศูนย์ระยะไกลขึ้นหรอกใช้ศูนย์ธรรมดาของมันนั่นแหละเล็งยิงโดยกะกลางลาต้นเลยเข้าใจไหม เข้าใจทำตามลำดับที่ฉันบอกไปทีละขั้นนะบิดหางเดี่ยวหักลำกล้องลงดารินปฏิบัติตามทันทีอย่างแคล่วครองพอลำกล้องหักลงเหมือนปืนลูกซองเดียวบรรจุเดี่ยวหล่อนก็ยกขึ้นซองดูรูลำกล้องขนาดสี่สิบมมนั้นด้วยนิสัยอันละเอียดแลเหินขาวเป็นเงาวับ และเส้นเกลียวในลํากล้องซึ่งขณะนี้มีเศษดินจับจากการยิงติดต่อกันสองนัดของอนุชาติดทิ้งเป็นคราบให้เห็นอยู่บ้างเล็กน้อยเมือ่อชายันส่งกระสุนระเบิดนัดนั้นให้หล่อนก็รับมาพิจารณาแล้วค่อยๆ ย, ยัดลงไปยังโคนท้ายลํากล้องพลางหันมามองนะาเพื่อนชายก็สั่งต่อมาอต่อไปก็ หับลำกล้องกลับคืนไม่ต้องแรงนักนะแต่อย่ายยแยะเกินไปให้ลำกล้องล็อกสนิทกับโครงปืนมันจะสนิทหรือไม่ก็สังเกตดูที่หางเหี่ยวหากดีกลับมาอยู่ในแนวตรงและริมที่ล็อกลำกล้องคืนสนิทเข้าที่ก็แปลว่าลำกล้องสนิทแล้วจากพื้นฐานที่เคยเป็นนักยิงปืนชั้นดีมาก่อนแล้ว ดารินตบลำกล้องคืนเข้าที่เสียงดังฉับทีนี้ยังไงต่อคราวนี้เธอก็พร้อมที่จะยิงอะไรได้แล้วนี่เพียงแต่ผลักปุ่มห้ามไกลบนคอปืนให้เลื่อนไปข้างหน้าเท่านั้นแหละราชสกุลสาวยิ้มเลี่ยนเลี่ยนมองซ้ายมองขวาเห็นพี่ชายทั้งสองยืนประกบอยู่เบื้องหลังส่วนห่างหลังออกไปอีกสักเล็กน้อย พวกลูกหาดขยินและหนานอินก็ยืนรวมกลุ่มกันอยู่ยกเว้นชายันคนเดียวที่เข้ามาเคียงประกบข้างเอาแล้วนะเอาเลยอย่าลืมหมายกลางลำตัวนะ่ะเออลิงยังไงอะเนี่ยก็เหมือนศูนย์ปืนธรรมดานั่นแหละสำหรับระยะขนาดนี้มันไม่ถึงกับหกคาเมนเคนเค หัวไหลหลุดนะหล่อนถาม อ, อ, อ่อยยังไม่แน่ใจนะชยันหัวรเราะเฮ้ยไม่มีใครยอมให้เธอเสียงหนึงขนาดนั้นหรอกน้อยยิ่งดูแล้วจะรู้ว่ามันเบาวกว่าลูกซองของเจ้าบ้านเธออีกแล้วก็เบาวกว่าไอ้จุดสา0นศูนย์ไวเทอร์แมกของเธอมากนะักดารินสูดลมหายใจลึกยกพานท้ายขนาดกระทัดรัดนั้นขึ้นมาประทับซอกไหล แล้วหัวแม่มือก็ผลักคันห้ามไกที่ถอยหลังมาเองโดยอัตโนมัติให้เคลื่อนไปด้านหน้าจากนั้นหล่อนก็ลิงทุกคนเงียบกริบชา ย, ยันคงยืนเป็นพี่เลี้ยงอยู่ในระยะใกล้บอกเสียงต่ำๆ ต, ต, ต่อมาว่าน้อยอันตรายมันมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะ สมมุติว่าเธอหลิงเป้าหมายนั่นแล้วผ่าตกใจกระตุกไกปืนโดยปากกระบอกปืนทิ่มต่ำลงมากระสุนไปกระทบพื้นข้างหน้าห่างแค่ยี่สิบสามสิบเมตรพวกเราที่ยืนอยู่ด้วยกันนี่ทั้งหมดรวมทั้งตัวเธอเองด้วยมีหวังเจ็บหรือตายกันหมดเฮ้ย hey, ฉันคงไม่ใซหรือปอแทกถึงขนานดะนั้นหรอก จะยิงละถอยไปห่างนิดเถอะชยันเพื่อนชายก้าวเท้าห่างจากหลอนไปหนึ่งก้าวเยื้องหลังมาเล็กน้อยราชสะกุลสาวเล็งนแน่วแน่แล้วนาว้าไก่ย่ยางบรรจงเมื่อเห็นศูนย์อยู่ในระดับเ๊ะเสียงกระสุนถูกจุดชนวน และทยานผ่านพ้นปากกระบอกไปพร้อมกับกลุ่มควันที่พุ่งตามหลังเล็กน้อยไหลของหล่อนยวบนิดหน่อยเท่านั้นจากแรงสะท้อนถอยหลังแล้ววิบตาเดียวเท่านั้นเนื่องจากระยะไม่ไกลเกินไปนักและเป็นาการอินโดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องห้งเสียงแผนระเบิดคราวนี้มันกึกก้องราวกับฟ้าผ่า จนตัวคนเองก็สะดุง้งภาพที่เห็นไม้ยืนต้นผูกๆที่เห็นโดดเด่นอยู่บนเนินเขาใกล้ๆ ก, กับป่าไผ่นั้นปรากฏเปลวไฟแดงวาบกลางลำต้นอย่างจังแล้วมันก็หักโค่นพับตอนบนถล่มลงมาทันทีราวกับขวานยักษ์ยามหรือมิฉะนั้นก็ใครเอาใดานาไม้ไปฝังไว้ตรงกลางลำต้นนั้น กำปนาเสียงของมันคลื้นดีเหลือประมาณเสียงพวกลูกหาบโหกันเกลียวเกลาวดาริ่งยิงเอ็มเจ็เก้าเป็นครั้งแรกแล้วยิงได้แม่นยำราวกระจับวางจนตัวหล่อนเองก็ ง, งงอยู่เหมือนกันยืนมองดูต้นไม้ที่ขาดหักไปต่อหน้าต่อตาพร้อมกับรอยแอยับเยอนนั้นอย่างแทบไม่น่าเชื่อในสายตา